อ่าก็เจริญพร <c oughs> จเจริญพรกับท่านผู้สนใจใฟในการศึกษาทุกท่านเจนนั่งตามสบายอ่า <c oughs> ได้มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งกับท่านผู้สนใจไฟในการศึกษาเรื่องการเจริญสติการกลับมารู้สึกตัวการที่เรา ให้โอกาสตัวเองกับการเรียนรู้เรื่องการเจริญสติและการกลับมารู้สึกตัวเนี่ยอาจารย์ว่ามันเป็นมันเป็นโอกาสของชีวิตนะเพราะว่าการเรียนรู้เรื่องการกลับมารู้สึกตัวหรือการเรียนรู้เรื่องทุกข์และการดับทุกข์เนี่ยมันเป็นวิชาเฉพาะเป็นวิชาเฉพาะที่ต้องเจาะจงต้องตั้งใจที่จะเรียนเรื่องนี้จริงๆเพราะว่ามัน มันไม่เหมือนวิชาทางโลกนะมันไม่ได้ไปประกอบธรรมหากินแต่ <c oughs> มันมีอานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่ก็คือมันพาให้เราไม่ทุกข์อะส่วนไอ้ความรู้เรื่องการทมหากินทางโลกนี่มันเป็นเรื่องที่เราได้เรียนรู้กันอยู่แล้วนะอันนั้นเราก็เรียนกันไปแต่จะทำยังไงให้เราสามารถทรรมหากินในโลกนี้ได้โดยที่ไม่ทุกข์เอออันนี้มันต้องมาเรียนอันนี้เพิ่มเติม เป็นการเรียนรู้เพิ่มเติม อ, อีกหนึ่งวิชาซึ่งเป็นวิชาเฉพาะและการเรียนวิชาเฉพาะเรื่องตรงนี้มันก็เป็นวิชาเฉพาะพุทธศาสนาด้วยทําไมพระอาจารย์จึงบอกว่าเป็นวิชาเฉพาะพุทธศาสนาเพราะการเจริญสติเนี่ยเราไม่ใช่การทําสมาธิอพูดจะ พ, พูดอย่างนี้แหละเชื่อไม่เชื่อก็ตามใจ แลาวม่อ ย, อยากจะไปผูกคงผูกโยงอะไรกับสมาธิให้มันรู้สึกว่าต้งนั้นต้งนี้ น, นนะะวิชาสมาธินะี่มันมีมาก่อนพุทธศาสนาทำกันมานานแล้วหลายพันปีไม่ได้ทำให้เป็นพระพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้ามาเจริญสติคืนเดียวได้เป็นพระพุทธเจ้าเลย พอเจ้าชายศีสัทะมาเจริญสติคืนเดียวเป็นพระพุทธเจ้าทําสมาธิมาหกปีไม่ได้เป็นเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องสมาธิเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ติดอยู่ในใจฝังลากลึกเรามากฝังลึกขนาดที่เอาร์เพูดถึงการทําสมาธิการทําสมาธิกันนะที่อาจารย์พูดเรื่องการเจริญสติไม่ได้เกี่ยวกับการทําสมาธิ พออาจารย์รู้ว่าถ้าพูดถึงสมาธิคนก็จะเข้าใจสมาธิไปในทางที่ไม่ใช่พุท ธ, ธะจริงพอพูดถึงสมาธิปั๊บทุกคนพูดถึงสมาธิเนี่ยมันไม่ใช่พุทธสมาธิแบบพุท ธ, ธะมันเป็นสมาธิแบบพรามมันเป็นสมาธิแบบพรามที่ไม่ได้ฝึกเพื่อการตื่นรู้แต่เป็นการฝึกเพื่อที่พัฒนาอัตตา ทำไมถึงบอกว่าเป็นการฝึกเพื่อพัฒนาอัตตาก็เพราะว่าเขาไม่ได้นับถื อ, เ, อเขาไม่นับถือเรื่องการพ้นทุกข์แต่เขานับถือเรื่องการที่จะทํำยังไงให้เขาสามารถที่จะต่อยอดไปเป็นเทพไปเป็นพรหมเป้าหมายมันคนละอย่างกันเพราะฉะนั้นหลายพันปีที่พวกเขาฝึกกันนั้นเขาไม่ได้ฝึกเพื่อการเรียนรู้เรื่องทุกข์และการดับทุกข์ แต่เขาฝึกเพื่อที่จะไปเป็นพรหมเพรา ะ, ะนั้นการเข้ารูปฌานการทาทารูปฌานหรืออารมูปฌานเนี่ยมันคือการทำเพื่อไปเป็นพรหมไม่ได้ทำเพื่อการพ้นทุกข์เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าแม้นเจ้าชายสุตตะจะเรียนจบเหมือนพวกเขาแต่พงก์เขารู้สึกว่ามันยังไม่ตอบโจทย์เรื่องการดับทุกข์ วิธีการมันก็ต่างกันด้วยจริงพอพระองค์เห็นว่ามันไม่ไม ม, มันไม่ตอบโจทย์เรื่องการดับทุกข์พระองค์ก็เลยเลิกก็สแสวงหาเขาพาทำยังไงก็ทำไปหมดแหละในสมัยนั้นเขาว่าทำอย่างไรชาวชายสิษทถธธาก็ไปทำกับเขาไปอดอาหารเบายาย ทรมานตนเข้าชาระดับลึกสารพัดเอาง่ายๆว่าในสมัยนั้นเขามีอารัธิอะไรบ้างอาจารย์เชื่อว่าเจ้าชยเจ้าชายิตธาฐาน ไ, ไปเรียนหมดแหละยังไม่แปลกไงในวันที่พระองค์ตัดสรู้แล้วเนี่ยพอพระองค์พูดถึงวิธีการของแต่ละแนวทางทำไมพระองค์ถึงสามารถ พูดถึงได้อย่างชัดเจนหมายถึงว่าเวลาพระองไปเจอกับเราดินทีเราโยคีหรือสีชีภัยในลทัทธิต่างๆเนี่ยทาไมพวกองถึงรู้ทางของเขาอันดับแรกคือรู้ทางของเขาเพราะว่าพระองเคยเคยฝึกมาแล้วเคยผ่านมาแล้วอันดับสองที่พวกองรู้จำแจ้งก็เพราะว่าพระองเข้าใจในเรื่องในเรื่องสติปัฏฐาน ซึ่งการเข้าใจเรื่องสติปัฏฐานจะมีผลทำให้เราเข้าใจทุกแนวทางการปฏิบัติไม่ว่าการปฏิบัตินั้นจะเป็นแบบใดมันไม่พ้นออกไปจากสติปัฏฐานเพียงแต่ว่ามันมันไม่เต็มรอบเข้าใจไหมมันไม่เต็มรอบตามแนวทางแบบพระพุทธเจ้าสอนคือมันยังไปคาไปค้างอยู่อย่นึ้ เพราะกระบวนการการปฏิบัติของเจ้าชายสิทธะในวันที่ตัดสู่เนี่ยจึงไม่ใช่วิธีการเดียวกับที่ที่เขาทามาแต่เป็นวิธีเฉพาะเป็นวิธีที่เกิดขึ้นโดยพระองค์เองเป็นวิธีของพุท ธ, ธะด้วยแนวทางของพุท ธ, ธะจึงเข้าถึงสิ่งที่พุท ธ, ธะเท่านั้นที่รู้ พระ อ, องค์จึงกประกาศว่าเราตัดสินเราเองโดยชอบในธรรมที่ไม่เคยมีใครบอกในธรรมที่ไม่เคยมีใครสอนด้วยวิธีการของเราเองเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นการที่พระ อ, องค์ประกาศว่าพระ อ, องค์รู้ด้วยวิธีการของพระ อ, องค์เองอนั่นเหี่เป็นเรื่องที่เราต้องพิจารณาให้ดีเพราะฉะนั้นการที่ยังวนเวียนวนเวียนธรรม ในรูปแบบของการเข้าฌานสมาบัติไม่ว่าจะเป็นรูปฌานหรือรูปฌานก็ตามแน่ใจรู้ว่าเรากำลังเดินตามพระพุท ธ, ธเพราะถ้าวันนั้นพระองค์ทรงใช้วิธีการเดิมแบบที่เขาทำกันแล้วพระองค์บอกว่าพราะองค์ตรัสรู้ด้วยวิธีการของพระองค์เองจะพูดได้เต็มปากไหมฮึมพระองค์จะพูดได้เต็มปากไหม ไม่ถูกประนามแน่แน่ใช่หรือไม่แม้ตอนที่ที่เจอกับเจ้าพรามฮยเหือเห็นป่าวไอ้พรามืยเหอเคยได้ยินไหมเดินมาเจอก the mm ันตอนที่พระพุทธเจ้าจะเดินไปทางจะเดินทางไปหาปัญจวัคคีย์ระหว่างทางก็ไปเจอพราม์ตนหนึ่งพรามคนหนึ่งแล้พราม์คนเนี้ยนั้นเรียกว่าพรามืเหื่อมันชอบทำเสียงเข้าใจไหม คำว่าฮึ่งเนี่ยแปลว่าชอบดูถูกคนอ่ะ <c oughs> ทีนี้เวลาเขาเจอตอนนั้นเขาเจอพระพเจ้าบอกโอ้วันณะของท่านช่างผ่องใสราศีของท่านแบบแปลงปร่งมากอ่ะเข้าใจไหมดูดีมากเลย อ, ะอ่ะเออท่านท่านชื่นชมในธรรมของใครเออท่านบรรลุธรรมในธรรมของใครเขาเขาถึงทำรรที่ใครสอน พระพุทธเจ้าบอกเราเป็นสยามภูเราเกิดเองเราเป็นเองเราตัดสรุ้ในธรรมที่ไม่เคยมีใครบอกในธรรมที่ไม่เคยมีใครสอนด้วยวิธีการของเราเองเราไม่มีครูบาอาจารย์ในเรื่องนี้เราเป็นเองก็ใช่ยังอันนี้ก็เชื่อไหม ไม่เชื่อไม่พอมันคิดในใจด้วยเดี๋ยวๆดี๋ยเดีจะไปตามดูจะไปตามดูจะไปตามตามสำนักนั้นสำนักนี้ดูว่ามีนักบวชคนนี้เคยมาเรียนไหมถ้าถ้ามีสำนักไหนบอกว่าไอ้ น, นี่มันก็เรียนมาจากที่นี่แหละกูจะประจานให้เสียคนเลยผก็คิดอย่างนั้นเลยนะ่ยเพราะเขาถือว่า การที่พระองค์ตัดก็เราตรัสรุ้เองโดยชอบเราเกิดเองเราไม่มีครูบาอาจารย์ในเรื่องนี้เราทำด้วยวิธีของการของเราเองเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบโอ้อันนี้มันมันลบหลูค่ครูบาอาจารย์หลู่หลู่คุณครูบาอาจารย์อะไรอย่างเงี้ยเข้าใจความหมายไหมเพราะไอ้คนไหนที่มันลู่คุณครูบาอาจารย์เนี่ยกูจะประจานให้เสียไปเลยจะพามึงเงนะี่ยเขาคิดอย่างนั้น เพราะกเพราะฉะนั้นการที่พระองค์กล้าใช้คาว่าเราตัดสรุปเองโดยชอบด้วยวิธีการของเราเองเนี่ยเข้าใจไหมนั่นแปลว่าพระองค์ยืนยันว่าที่พระองค์ทามาทั้งหมดมันมีวิธีเฉพาะเป็นวิธีเฉพาะของพระพุทธและเป็นวิธีเฉพาะที่จะถูกถ่ายทอดต่อในพุทธศาสนาอืม นั่นแหละพระอาจารย์ยังพูดว่าถ้าเรายัางเดินบนเส้นทางเก่าแบบที่เขาทำกันมาในการไปทำสมาธินิ่งสงบเป็นรูปฌานอารูปฌานอยู่นั้นก็แปลว่าเราเราเดินตามทางพระพุท ธ, ธะหรือเรากำลังเดินออกนอกทางพระพุท ธ, ธะเออเพราะนั่นคือทางเก่าที่อาลาละดาบทและอุทกาดาบทก็เรียนรู้ผ่านกันมาเราส่งทอดต่อกันมา เทคนิคเฉพาะแห่งพุทธศาสนามันเป็นอะไรที่สุดยอดอาจารย์ก็พูดงจายไปเลือยเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้<笑><笑>แต่ก็ไม่ได้อยู่แต่ก็ไม่ได้อยู่เพราะว่ามีคนเชื่อนะไม่เชื่อก็อยู่ได้นะ เข้าใจความหมายไหมไม่เชื่ออาจารย์ก็อยู่ได้นะเชื่อก็อยู่ได้ไม่เชื่อก็อยู่ได้เพราะไม่เกี่ยวกับคนอื่นเชื่อหรือไม่เชื่อใช่หรือไม่ <c oughs> มันเป็นวิธีเฉพาะจริงๆแล้ววิธีเฉพาะเนี่ยมันมาเฉลยได้ชัดเจนในหลวงปู่เทียนเนี่ยวิธีเฉพาะนั้นนะ่ะถูกเฉลยได้ชัดเจน ด, ด้วยด้วยหลวงปู่เทียนเนี่ยจริงๆ หลายคนบอกพระพุทธเจ้าไม่ได้ยกมือสร้างจังหวะทำไมอาจารย์กชิดกล้าใช้คำว่าลุกมืเทียนมาเฉลยลพระพุทธเจ้าไม่ได้ยกมือสร้างจังหวะแต่พระพุทธเจ้าหายใจเป็นจังหวะ <c oughs> <c oughs> นั่นหมายความว่าเทคนิคเฉพาะของพุทธศาสนาคือการทำจังหวะเอาละสิ อเอาอะไรมาพูดเอาอนาปานสติปูดมาพูดนี่แหละเอาอนาปานสติสูตรมาพูดตั้งกายตรงคู่บัลลังเข้ามาตั้งกายตรงดำรงสติมั่นเราจะหายใจเข้าเราจะหายใจออกแล้วแลอยู่ ค่เริ่มต้นคำว่าเราจะหายใจเข้าเราจะหายใจออกหายใจเข้าหนึ่งจังหวะหายใจออกหนึ่งจังหวะเพราะฉะนั้นจังหวะหายใจเข้ากับจังหวะหายใจออกอันเดียวกันไหมมันกน็ละอันมันคนละจังหวะ เพราะฉะนั้นในอานาปานสติสูตรเนี่ยพระพุทธเจ้าจึงใช้คําว่าเราจักหายใจเข้าเราจักหายใจออกไม่ ใ, ใช้คําว่าเราจักหายใจอยู่พระพุทเจาไม่ได้ไปดูลมหายใจแต่ดูลมหายใจเข้าดูลมหายใจออกรู้ก็ลมหายใจเข้ารู้ก็บลมหายใจออกมันเป็นจังหวะเป็นจังหวะเป็นจังหวะ และในความเป็นจังหวะนั้นเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมมันเกิดรอยต่อระหว่างจังหวะตรงนี้ต่างหากเทคนิคเฉพาะแล้วรอยต่อระหว่างจังหวะนั้นนั่นเองที่มันเปิดโอกาสให้จิตได้แสดงตัวในรูปแบบความคิดเพราะฉะนั้น เราจึงพยายามบอกว่าให้ทำเป็นจังหวะสบายๆไม่ใช่การแนบเข้าไปเข้าใจไหมทำไมหลวงปู่เทียนบอกเมื่อเราขยับเนี่ยรู้ก็จังหวะเนี่ยทำไมหลวงปู่เทียนถึงให้หยุดเป็นจังหวะ การหยุดเป็นจังหวะมันทําให้เกิดเป็นรอยต่อระหว่างจังหวะได้เข้าใจไหมและถ้าพวกเราปฏิบัติเราจะเห็นว่าจังหวะที่จิตมันจะหลุดออกมาคิดเนี่ยมันอยู่ตรงไหนว่าตรงรอยต่อนั่นแหละใช่หรือไม่พอขณะที่คุณรู้คุณเคลื่อนแล้วคุณรู้เนี่ยจิตมันกลับมาทําหน้าที่รู้กับการเคลื่อนใช่หรือไม่อืมแต่พอหยุด นั่นเองบางบางช่วงนั่นเองที่มันจึงมีบางช่วงที่มันจะหลุดออกมาได้ใช่หรือไม่แล้วการหลุดออกมาได้มันกลับกลายเป็นตัวเฉลยให้รู้จักการปรากฏขึ้นของจิตเราจึงเห็นกายผ่านอิลยบทที่เคลื่อนไหวเห็นจิตผ่านความคิดอืม เพราะฉะนั้นนิยามการปฏิบัติธรรมของหลวงปู่เทียนจึงบอกว่าเห็นกายเคลื่อนไหวเห็นใจนึกคิดไม่มีสักนิดที่หลวงปู่เทียนบอกอย่าให้มันคิดเพียงแต่ว่ากระบวนการคิดที่เกิดขึ้นนั้นมันเป็นการคิดแบบที่จิตมันคิดเองโดยการด้วยเทคนิคง่ายๆเป็นเทคนิคที่เจ้าชายสิท ธ, ธัตะ ก็ใช้เอาจิตสมมติที่เป็นจิตไปรู้ที่ลมหายใจเข้าพอลมหายใจเข้าปั๊บรู้เนี่ยอยู่พอลมหายใจออกอุ๊บรู้อยู่แต่บางจังหวะเข้าใจไหมบางจังหวะมันจะหลุดออกไปสร้างเรื่องสร้างราวใช่หรือไม่แล้วพ่อองค์ก็จะบอกว่าเราจาัก รู้เราจะหายใจเข้าเราจะหายใจออกแล้วแลวอยู่เพราะฉะนั้นพอกลับมารู้ลมหายใจเข้าออกอีกทีมันก็กลับมารู้ใหม่ถ้าก็รู้ไปสักพักรู้ไปสักพักรู้ไปสักพักรู้ไปสักพักใช่ไหมแล้วก็กลับมารู้ใหม่รู้ไปสักพักรู้ไปสักพักเห็นไหม <S <S <S เหมือนกันเนี่ยเอารู้กับการเคลื่อนไหวรู้เห็นไรู้นรู้ไปสักพักปุ๊ บ, บออกเห็นหแล้วก็กลับมาใช่หรือไม่ทำไปทามาสักพักหลุดออกไปอีกละสร้างเรื่องสร้างอะไรอีกแล้วก็กลับมาอีกถูกไหมเพราะฉะนั้น เทคนิคนี้มันจึงเหมือนกันเปลี่ยนแต่ต่างกันที่ใช้ฐานอะไรเท่านั้นเองใช้ฐานลมหายใจเข้าออกหรือใช้ฐานการเคลื่อนไหวของกายแต่พระพุทธเจ้าบอกว่าลมก็คือกายอย่างหนึ่งใช่หรือไม่เพราะฉะนั้นลมเข้าลมออกก็คือการเคลื่อนไหวของของกายเหมือนกัน มันจึงเป็นเทคนิคที่ไม่ได้มุ่งสู่การบังคับจิตให้สงบเนี่ยมันต่างตรงนี้มันต่างตรงที่ว่ากระบวนการแห่งการปฏิบัติในวันในวันเพ็ญเดือนหกของเจ้าชายศรีสถานนั้นไม่ได้มุ่งไปสู่เรื่องการทำจิตให้มันสงบแต่แค่เอาจิตมาไว้เป็นที่เป็นทาน จากนั้นเมื่อจิตมาอยู่เป็นที่เป็นทางมันก็จะสักพักมันก็หลุดออกไปถูกไหมใช่ปะพอเห็นมันหลุดบ่อยๆก็เริ่มเกิดการเรียนรู้เริ่มรู้เท่าทันกับกระบวนการที่มันมันหลุดออกไปแล้วสร้างเรื่องสร้างราวเมื่อนั้นเจ้าชายสิทธัตถ์ยึงเห็นกระบวนการทำงานของ สิ่งหนึ่งที่พระองค์ต่อมาตั้งชื่อเหมือนว่าสัญญาขันแล้วพระองค์ก็เห็นอีกว่ามันมีกระบวนการต่อออกไปจากนั้นอีกซึ่งต่อมาพระองค์ตั้งชื่อมันว่าสังขารละขันอืมมันไม่ได้มีชื่อเจ้าชายสิธัะเห็นอาการเห็นอาการการทํางานของ ตรงนั้นเห็นอาการการทำงานของตัวนั้นเห็นกระบวนการเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเป็นการเห็นอย่างบริสุทธิ์เป็นการเห็นอย่างบริสุทธิ์มากเห็นเป็นเพียงอาการของธรรมชาติที่มันทำงานเมื่อตาขาคตเห็นอย่างนั้นแล้วตาขาคตจึงบัญญัติ จึงเรียบเรียงจึงบัญญัติจึงนำมาสอนใช่หรือไม่ถ้าเราเคยอ่านเพราะการจะเกิดขึ้นของคัตถาคตจะมีก็าตามหรือไม่มีก็าตามธรรมธาตุเหล่านั้นมันก็ยังมันก็ทำเป็นอยู่กาทงานของมันอยู่อย่างนั้นตถาคตเป็นเพียงแต่ผู้ไปเห็นมันตถาคตจึงเรียบเรียงและบัญญัติแล้วจึงนำมาสอน นั่นหมายความว่าอาการที่มันปรากฏอย่างนั้นมันไม่ได้มีชื่อแต่แรกแต่เป็นอาการของสิ่งนี้สิ่งนี้มาทำงานแล้วผมก็บัญญัติมันขึ้นมามันก็เลยทำให้เรารู้เลยว่าเรื่องของขันห้าเนี่ยมันมีในพุทธศาสนาเท่านั้นมันไม่มีในศาสนาอื่นศาสนาอื่นไม่มีขันห้าไม่มีสอนเรื่องขันห้าิด พ, พูดต้องชัดเจนเนี่ยศาสนาอื่นไม่มีสอนเรื่องขันห้าแต่ทุกาศาสนามีขันห้าใช่ไหมเพราะขันห้าคืออะไระนางคมูเคเคมีอยู่นี่นะขันห้าคือองค์ประกอบของชีวิตเนี่ยนั่งอยู่เนี่ยขันห้าทั้งนั้นนะ่ะเข้าใจไหมฝั่งเรามีขันห้าไหม คนจีนมีขันห้าไหมอิสลามมีขันห้าไหมอินเดียมีขันห้าไหมคริสมีขันห้าไหมมีหมดทุกคนมีขันห้าแต่กลับไม่เคยมีใครรู้จักขันห้าเพราะไม่เคยมีใครมานั่งสังเกตตัวเองเข้าใจความหมายไหมาศาสดาทั้งหลายเหล่านั้นไม่ได้เรียนเรื่องการสังเกตแต่าศาสดาเหล่านั้น เป็นการว่าต่อๆกันมามีพระเจ้าองค์หนึ่งพระเจ้าสร้างสิ่งนี้พระเจ้าสร้างสิ่งนี้พระเจ้าเป็นผู้กำหนดทุกสิ่งทุกอย่างอย่างนี้อย่างนี้เห็นไหมมันเกี่ยวอะไรกับขันห้าไหมมีไม่ได้เกี่ยวกับกลไกของขันห้าเลยใช่หรือไม่ <c oughs> มันมันไม่ใช่เรื่องตัวเองแต่เป็นเรื่องความจำแต่ขันห้ามันเป็นเรื่องตัวเองที่ต้องใช้การสังเกตเห็นเพราะอาจารย์จึงบอกว่ามันเป็นเทคนิคเฉพาะมันเป็นวิชาเฉพาะในพุทธศาสนาและเทคนิคแห่งการที่เขาเห็นการทํางานของขันห้5มันต้องเปิดโอกาสให้จิต งานให้จิตมันได้แสดงตัวให้จิตมันได้ทำงานเพราะฉะนั้นกระบวนการแห่งการทำสมาธิหลายพันปีมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเปิดอากาศให้จิตทำงานแต่เป็นการบังคับจิตให้นิ่งให้ได้ให้นิ่งให้สงบให้ได้คุณลองคิดดูนะดู ง, ง่ายๆนะ คนเราพอบังคับจิตให้นิ่งสงบได้มันจะเกิดความรู้สึกยังไงจ๊ะสุขไม่พอลึกกว่านั้นคืออะไรกูทำได้เ <c oughs> ข้าใจความหมายไหมนั่นหมายความว่ามันยิ่งพอกอัตตาผิดไหมไม่ผิด พีดตรงไหนอ่ะก็ศาสนาเขาเชื่ออย่างนั้นเข้าใจความหมายไหมมันถูกตามศาสนาเขาเพราะเขาไม่ได้เข้าใจไงเพราะเขาเชื่อว่ามันมีอัตตาที่เที่ยงแท้คุณอย่าลืมสิเขาเชื่อว่ามันมีอัตตาที่เที่ยงแท้และพรมคือบรมอัตตาคืออัตตาใหญ่ที่เป็นอนันตการเป็นนิรันดรเพราะฉะนั้น การที่เขาฝึกทั้งหมดก็เพื่อทำอัตตาให้มันเที่ยงแท้ยิ่งขึ้นเพื่อเป็นวรมอัตตาเพื่อความเป็นนิรันดรเขาไม่ผิดเพียงแต่เขาไม่รู้ที่ไม่รู้เพราะอะไรก็ไม่เคยมีใครคิดจะมาสังเกตตัวเองมีแต่เรียนตามๆกันมา ฝึกตามตามกันมาเพราะฉะนั้นจึงไม่แปลกไงทําไมการลามาสูตรพระเจ้าจึงบอกว่าอย่าพึงปักใจเชื่อว่าเพราะมันมีในตําราเพราะมันมีว่าต่อต่อกันมาเพราะมันเชื่อตามมันทำตามกันมาใช่หรือไม่เพราะที่ผ่านมาพระองค์เห็นหมดแล้วว่าตลอดระยะทางหกปีนั้นที่พระองค์หลงตลอดระยะทางหกปีที่แสวงหานั้นทุกคนทําตามตามกันมาว่ากันตามๆกันมาเลยนะ และการทำตามๆกันมานั้นก็ได้ผลตามๆที่ว่ากันมาไม่ใช่ไม่ได้ผลก็ได้ผลอย่างที่เขาว่ากันมาไงแต่มันไม่ตอบโจทย์เรื่องทุกข์และดับทุกข์ภายในใจของพระ อ, องค์เข้าใจความหมายไหมเออเราต้องมองให้ชัดว่าเออเขาก็ไม่ได้ผิดแต่มันไม่รู้พระเจา้าจึงบอกพ่อไม่รู้ไงเ้าเลยไม่เข้าใจเรื่องทุกข์และการดับทุกข์อืม เขาไม่ผิดหรอกแต่เพราะเขาไม่รู้เหมือนกับเมื่อล่าสุดอะที่มีคุณปู่เดวิดกุตโดบินไปค่าตัวตายที่สวิตเซอร์แลนด์ชาวออสเตรเลียร้อยสี่ปีอ่าบินไปค่าตัวตายในการกํากับดูแลของหมอใช่ไหมเออก็อาจารย์เห็นไอ้ไอเรื่องนี้มันไม่น่ากลัวถ้าไอ้คอมเมนต์ที่ต่อท้ายอะ หลายคนบอกกล้าหาญมากเลยสักวันฉันจะมีความกล้าหาญเหมือนคุณ <c oughs> ลุงเดวิดปู่เดวิดไม่ผิดแต่ปู่เดวิดไม่รู้ว่าที่ดีกว่านั้นมันมีอยู่เข้าใจความหมายไหมพอแกถูกหล่อร้อมมาอย่างนั้นสังคม พัฒนธรรมระบบครอบครัวที่ล่มสลายความไม่รู้จักธรรมที่มันเหนือกว่านั้นเข้าใจความหมายไหมเรื่องนี้อาจารย์พูดกับญาติโยมที่ปฏิบัติธรรมกับพาาระอาจารย์เทระย์เก็บอกน่าเสียดายเนาะถ้าปู่กแกเกิดที่เมืองไทยแกคงไม่ฆ่าตัวตายเพราะที่เมืองไทยเรายังมีอะไรที่ดีกว่าที่ปู่กแกรู้จักใช่หรือไม่ มันปลูกแกผิดไหมแกไม่ผิดแต่แกรู้อยู่แค่นั้นแต่ไอ้คนไทยที่ต่อท้ายนี่ไงที่อาจารย์บอกว่าไอ้เม้นต่อท้ายกันเนี่ยแล้วนักวิชาการทั้งหลายที่ออกมาพูดกันแบบอาจารย์ฟังแล้วบอกเออตกลงคุณเข้าใจไหมนี่บางคนบอกก็ปูกแกดูแล้วแกดูไม่หวาดกลัวต่อความตายเลยนี่แกพร้อมเผชิญกับมัน ดูแกมีความสุขจะตายที่แกจะได้ตายจากตรงนี้บอกเออโทษนะแล้วอาจารย์คิดว่าไงอาจารย์ไม่คิดว่าไงแต่อาจารย์เคยคุยกับหลวงพ่อคำเขียนหลวงพ่อคำเขียนถามว่าอาจารย์อาจารย์คชิทเคยเห็นคนอินเดียไหมเวลาเราไปอินเดียเห็นคนจนอินเดียไหมเห็นครับคนจนอินเดียตาไม่ทุกนะตามันไม่แสดงความทุกข์ อื ม, อมจริงว่ามันมาขอทานมันก็แบบดูตามันแบบพวกก็ขอทานตามันใสๆเยอะแต่คนไทยอ่ะเวลาจนมันทุกนะพระอาจารย์บอกนั้นแปลว่าคนเดียวเขาพอเพียงเขาเพียงพอสันตศถีมีความพึงพอใจในสิ่งที่ตัวเองเป็นใช่ไหมหลวงพ่อบอกไม่ใช่อันนี้คือโง่บริสุทธิ์ คุณเข้าใจความหมายไหมทำไมถธงบอกโง่บริสุทธิ์ mm hmm. เพราะเขาเกิดมาแล้วเขาถูกสอนว่าเขาเป็นได้แค่นี้ mm hmm. เขาใจยังไงเนะี่ยเองเป็นได้แค่นี้เองอยู่แค่นี้นะเพราะเองอย่าหาันหานคิดจะเกินนี้ไม่งั้นพระเจ้าจะลงโทษเพราะฉะนั้นกูก็เลยอยู่แค่นี้ใส่ เพราะเขาไม่รู้ว่าที่ดีกว่านี้ยังมีอยู่ชีวิตเขาสามารถเป็นได้มากกว่านั้นไม่เห็นเหรอที่ตะโปธารานมาอืมชั้นสูงคนบรรณาสูงอาบน้ำจากบ่อน้ำร้อนต่อท่อมาเสร็จแล้วไอ้น้าที่อาบของชนชั้นสูงก็ไหลไปรวมกันเป็นอ่างใหญ่ใ ห, ญให้ชนชั้นกลางได้อาบ แค่วันณักกาๆเลยงในอัอันนี้การเล่นจนน้ําดําปีก็ปล่อยับน้าทิ้งออกไปนู่นท้ายสุดก็ยังมีคนชั้นต่ําที่สุดได้กอบใส่ปากสักสิทธิ์เหลือเกิน <c oughs> ไมไ่รู้สึกลังเกียดไมได่รู้สึกอะไรเลยเพราะเขารู้สึกว่าเขาอย่างดีเขาโชคดีเหลือเกินที่มีโอกาสิทธใช้นั่นกันแต่คือคุณเข้าใจไหมถ้าเป็นเราเอาไหมฮะ อ่างอันที่สองเราก็ไม่เอาแล้วไม่ไม่ต้องไปถึงไอ้น้ําสุดท้ายที่เตรียมทิ้งอะ่ะเข้าใจความหมายไหมเราไหลทิ้งแล้วเราก็ไม่เอาแล้วเ่าทําไมอะ่ะเราสามารถที่สั่งนั้นได้อะเราสามารถเรามีมีเรามีสิทธิเรามีนน่นมีนี่เราเข้าใจความหมายไหมเรารู้ว่าอะไรที่ดีกว่านี้มันมีอยู่แต่เขาไม่รู้เข้าใจความหมายเนาะ เพนสิ่งที่อาจารย์พูดมาทั้งหมดต้องการบอกให้รู้ว่าแม้นหลายพันปีที่ผ่านมาเขา ว, า ว, าวนเวียนทําสมาธิแบบรูปปัจจันทรและรูปปัจจันเพื่อทําทอะไรก็ตามทรมานกันเขาก็ไม่ผิดเพราะก็เขาไม่รู้เข า, เขารู้แค่ ว, ว่ามันมีแค่เนี้ยชีวิต เ, เหมือนกับตอนที่เจ้าชายศ ร, รีตถาเลือกทรมานกายจาได้ไหมแล้วพระองค์บอกว่า พอเลิมานกายพ่อพม่มันถึงทางตันแล้วมันมาสุดขอบอะสุดขอบหมดแล้วแล้วมันไปไม่ได้แล้วอ่ะพ่อเขาหยุดหยุดหยุดเพื่อจะค้นหาแล้วทบทวนใหม่ว่ามันต้องมีอะไรที่ดีกว่าบรรจะรวจเขียว่าไงเรื่องความเพียรแล้วเดชท่านเลิกความเพียรท่านเวียนมามากๆากกว่าเดิมแล้วเราอยู่กับท่านไม่ได้เราอยู่กับท่านด้วยไม่ได้ละเราอยู่ด้วยกับท่านไม่ได้ละใช่ปะพากันถอยพอ อ, อย่าเพิ่งไป มันมันต้องมีดีกว่านี้สิทําไมเราต้องอยู่แค่นี้ไม่ไมงเกิดมาก็รู้อยู่แค่นี้แหละทายาขีเข้าใจไหมเกิดมาก็รู้ว่ามีแค่นี้แหละเรียนรู้มาทั้งหมดก็มีแค่นี้แหละมันไม่มีทางมากกว่านี้เพราะถ้าไม่ใช่ทางนี้ก็ไม่ใช่แล้วเห็นไหมเขาเขารู้อยู่แค่นั้นเพราะฉะนั้นการที่เจ้าชายศรถถิริษฐ์ะเปลี่ยนกระบวนการด้วยตัวเอง สร้างกระบวนการขึ้นมาใหม่สิ่งนี้คือสิ่งที่พระอาจารย์พยายามบอกมาตลอดว่ามันเป็นเทคนิคเฉพาะ ม, มันเป็นเทคนิคเฉพาะไอเทคนิคเฉพาะที่ตรงนี้มันก็คือกระบวนการที่แม้แต่พระปุณณะมันตา น, นีบุตรผู้เป็นเลิศเรื่องการแสดงธรรม ได้แสดงธรมและอธิบายให้พระสาลีบุตรผู้เป็นเลิศทางปัญญาในเรื่องการทำสมาธิแบบพุทธท่านปุณณมันตานีบุตรบอกว่ามันคือความสมดุลระหว่างวิริยพละกับสมาธิพละ พอความสมดุลเกิดขึ้นระหว่างวิริยพะละกับสมาธิพะละรู้จักพะละห้าไหมนี่รู้จักไหมมีอะไรบ้าง <c oughs> กำลังห้าอย่างเพื่อการตัดสรุ้เนี่ย <c oughs> เพื่อการบรรลุธรรมเนี่ยมีอะไรบ้างศร <c oughs> ัทธาพะละ <c oughs> ิริยพะละ <c oughs> สติ <c oughs> สมาธิและ <c oughs> ปัญญาเออใส่พะละใส่กำลังให้หมด ตัวอัวิริยะพละกับสมาธิพระเนี่ยมีสติอยู่ตรงกลางเห็นไหมจัดสมดุลระหว่างศรัทธากับปัญญาจะเกิดศีลศีลละวิสุทธิความหมดจดแห่งศีลจัดสมดุลระหว่างวิริยะกับสมาธิจะเกิดเป็นจิตตวิสุทธิหรือความสมดุลความหมดจดแห่งสมาธิ ความหมดจดแห่งจิตจิตตวิสุทธิหรือหรือความหมดจดแห่งจิตดรือความหมดจดแห่งสมาธิคือความสมดุลตรงนี้มันอยู่ตรงที่ว่าเอาวิริยะพระราบวกกับสมาธิพระรให้มันสมดุลกันแล้วมันจะก่อเกิดเป็นสมาธิที่เป็นขณะขณะขณะขณะและสมาธิที่เป็นขณะขณะขณะที่ต่อเนื่องนี่เองคือสมาธิเพื่อการทําวิปัสสนาโดยตรง นั่นคือคำอธิบายของาพระปุณณะมันตานิบุตรและนั่นคือคำสอนแรกที่วที่หลงพ่อคามเขียนสอนอาจารย์หลวงพ่อไม่ได้ยกพระปุณณะมาพูดไม่ได้ยกภาษารีบุตรมาพูดไอ้ที่อาจารย์มารู้จักพระปุณณะกับภาษารีบุตรเนี่ยหลังจากผ่านมาแล้วเป็นสิบปี แล้วมาอ่านเจอเรื่องวิสุทธิเจแล้วก็ไปอ่านเจอตรงนี้ปั๊บเท่านั้นแหละโอ้โหหลวงพ่อสอนเราตั้งแต่วันแรกที่เจอกันเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วหรือท่านนั่งบนนี้ก็ยี่สิบปีที่แล้วที่หลวงพ่อสอนอาจารย์ความที่ชีวิตมันรู้อยู่แค่นั้น เพราะบวชมาปั๊บแล้วก็ถูกสอนให้ทําสมาธิให้นิ่งให้สงบบังคับจิตให้สงบให้ได้มันก็วนเวียนกับวิธีการในการที่บังคับจิตให้สงบจนกระทั่งพระอาจารย์มาเจอกับการยกมือสร้างจังหวะแต่ยังไม่ได้เรียนจากใครเห็นแต่รูปภาพในหลังในหนังสือหลวงพ่อคาเขียน คนเคลื่อนไหอาจารย์จะทำยังไงล่ะสิบสี่จังหวะของอาจารย์มันต้องเป็นสิบสี่จังหวะมุ่งสู่การทําสมาธิเขาใจยังเพราะฉะนั้นสิสจังหวะนั้นจะเป็น จ, จังหวะแบบมันไม่ใช่จังหวะแต่มันคือการลากยาวลากไปชา้าช้าช้ามากหับตายต่างหา <c oughs> อาจารย์ทำให้หลวงพ่อมเขียนดูต่อหน้าต่อตากันเพราะมันเป็นการเจอกันครั้งแรกอาจารย์ถามหลวงพ่อเขียนว่าผมทำถูกไหมคำถามแรกที่อาจารย์ถามหลวงพ่อไม่ได้ถามว่าอาจารย์เจริญสติเป็นยังไงมันคืออะไรต้องทำยังไงแต่คำถามแรกของอาจารย์คือผมทำถูกไหมผิดถูกหลวงพ่อแก้ให้ผมเลยครับ กย่างก็หลับตาลงแล้วขยับมือช้าๆ ไม่ใช่เสียงมาเลยเพราะมือขวาลงแตะท้องเสียงมาเลยไม่ใช่ฮะไม่ใช่เหรอครับไม่ใช่เมื่อกี้พวกคุณเห็นอาจารย์ทำไหมได้สังเกตไว้พวกเรากั้นหายใจด้วยใช่ไหมกั้นหายใจไม่พอเนะแบบว่าแบบ เกรงเกรงไปกับอาจารย์ด้วยเนินแน่นไปเลยครับแต่แต่คุณต้องเข้าใจว่าที่อาจารย์ทําอย่างนี้เพราะว่าตอนที่อาจารย์เจอหนังสือหลวงพ่อคำเขียนครั้งแรกอาจารย์เห็นภาพข้างหลังแล้วอาจารย์ก็หัดทําเนี่ยหัดทาดําขณะที่หัดทําเดินทางมาในรถไฟเนี่ยเข้าใจไหมกลับจากภาคใต้เพื่อกลับมาหาหลวงพ่อเนี่ยนั่งทำมาในรถไฟไม่ได้สนใจใครใครก็ช่นกูไม่สนใจเพระกูหลับตา ก็จะเข้ามาไม่เห็นใครเลยไม่มีใครเห็นอาจารย์เลยไม่มีใครเห็นอาจารย์อาจารย์ก็ไม่เห็นใครดังนั้นเพราะอาจารย์หลับตาคือนั่งทํามาเนี่ยมันทําป๊บเดียวมันเข้าสมาธิดิ่งคนเราอะพอมันเข้าสมาธิได้ปับ๊บมันจะสรุปไหมใช่เลยวิธีการนี้นี่เองที่ทําให้เราเข้าสมาธิได้ไวอืม มันเอาสิ่งที่เรงอยากได้อยู่แล้วมาตอบรับกับสิ่งที่เองทำเข้าใจปะและคิดว่าคนเป็นแบบนี้กันเ ย, ย, ยอะไหมเยอะเช่ว่านี่ไงอย่าพึงปักใจเชื่อว่ามันสอดคล้องลงกับสิ่งที่เรามีในกาลามาสตรอีกข้อหนึ่งใช่หรือไม่ <c oughs> มันปักใจเชื่อเลยนะสอดคล้องตามที่กูว่าเลยกูแยกได้พอดีเลยใช่เลยเนี่ยพอมาเจอหลวงพ่อทําให้หลวงพ่อสงไม่ใช่เอาไม่ใช่นะครับไม่ใช่หลวงพ่อบอกสมาธนะิเหล็กแผ่นแข็งทือ่อไม่ได้อะไรนอกจากความสงบนะ ม, มันไม่ได้อะไรหรอกได้ความสงบแต่ สมาธิเพื่อการตรัสรู้หลวงพ่อใช้คํานี้นะนยังจำได้เลยนะนี่เป็นคําสอนแรกไงเขาใจยังคําสอนแรกครั้งแรกที่พบกัน first time เลยนะหลวงพ่อบอกว่าสมาธิเพื่อการตรัสรู้นั้นมันต้องเป็นแบบนี้ดูนะเป็นท่านเป็นทานเป็นท่านเป็นท่า น, เ, น, นเห็นไหม ต้องเป็นท่อนเป็นท่อนเป็นท่อนอย่างนี้ไม่ใช่แข็งทื่ออันนี้มันเหล็กแผ่นแต่เป็นท่อนเป็นท่อนเป็นท่อนอย่างเงี้ยรู้จักโซ่ไหมผมว่าถามรู้จักโซ่ไหมรู้จักครับโซ่แข็งแรงเป็นเหล็กแต่มันเหมวนเป็นรูปอะไรก็ได้นั่นหมายความว่ามันมีความแข็งแรงแต่มันมีความนุ่มนวล สมาธิเพื่อการตัสัตรู้มันต้องเป็นสมาธิที่มีความแข็งแรงเข้มแข็งตั้งมัน่นแต่นิ่มนวล น, นุ่มนวลพอหลวงพ่อพูดคำนั้นปุ๊บมันตื่นเลยนะโอ้นี่เองนี่คือความหมายคำว่ากรรมนิยูจิตที่ควรแก่การงานมันคิดของมันเองอย่าคิดว่ามันเข้าใจภาษาบาลี <laughs> มันไม่รู้จักอะไรหรอก เคยได้ยินมาคำไมนิโยจิตที่ควรแกการงานแต่พอหลวงพ่ออธิบายคํานี้ปุ๊บเอ อ, ออนี้เองมันต้องจิตที่ควรแกการงานมันต้องเป็นแบบนี้เป็นแบบเหล็กโซ่แข็งแรงเป็นเหล็กแต่ม้วนเป็นรูปอะไรก็ได้หมายเขาว่ามันมีความนุ่มนวลมันมีความพร้อมรับกับการสัมผัสการกระทบแต่ตั้งมัน่นเข้าใจความหมายไหม มันไว้ใช่แข็งคือเป็นปราการเหล็กที่ปฏิเสธการกระทบแต่มันต้องเป็นสมาธิที่พร้อมกับการกระทบเพราะมีความนุ่มนวลแต่ตั้งมั่นและแข็งแรงเป็นเหล็กเหมือนโซ่เข้าใจความหมายไหมที่หลวงพ่อบอกว่าโซ่มันหมวนเป็นรูปอะไรก็ได้มั น, ฉ น, นเฉลยตรงนี้นทันทีเลยเอาจารย์ก็ทาทาเป็นจังหวะเนี่ยเปลี่ยนจากลากยามาทำเป็นจังหวะ เนี่ยตั้งใจทำทีละครั้งรู้ทีละครั้งจบลงทีละครั้งหลวงพ่อบอกเนี้ยอาจารย์ก็ทำพอเดินแล้วก็เดินทีละเก้ารู้ทีละเก้าจบงทีละเก้าและจังหวะนั่นเองมันจึงเฉลยชีวิตให้อาจารย์มา มันจะเหลเร็วมากมันทำให้อาจารย์เข้าใจคำว่ากายกับจิตมันอยู่ตรงไหนกระบวนการปฏิบัติมันต้องทำอย่างไรมันต้องดูตรงไหนทำตรงไหนแล้วมันจะพาเราไปเข้าใจอะไรมันแจ่มแจ้งขึ้นทันทีเลย เราถึงเข้าใจว่าโอ้มันมีความต่างบนเส้นทางการปฏิบัติแบบพุท ธ, ธะมันมีความต่างกับเส้นทางเก่าต่างกันมากเพราะในขณะที่เราทำทำจังหวะมันมีรอยต่อระหว่างจังหวะ แล้วพอรอยต่อมันเกิดขึ้นตรงนี้มันจึงเปิดโอกาสให้เ <c oughs> นยไอ้นี่มันได้มีโอกาสแล้วก็สแสดงเรื่องราวต่างๆของมันล ก, กลับมาใหม่แล้วก็เคลื่นเป็นยังไะเป็นยังวะเป็นยังวะมันก็มีรอยต่ออีกสักพักไอ้นี่ก็จะหลุดออกอีกสร้างเรื่องสร้างลาย อ, อ่ะลกลับมาข้าใจยังไงโอ นี่เองที่หลวงปู่เทียนถึงให้นิยามการปฏิบัติธรรมว่าเราต้องเห็นกายเคลื่อนไหวเห็นใจนึกคิดแปลว่าหลวงปู่เทียนท่านเราเห็นกี่อย่างกี่อย่างสองอย่างเห็นกายผ่านอิริยาบถเห็นจิตผ่านความคิดแล้วความคิดหรือจิตมันจะแสดงตัวตอนไหนตอนที่มันไม่ถูกล็อกกณลองกำมือซิ บล่อยนี่กำปล่อยกำปล่อยกำปล่อยคนที่จังหวกะกรำกับจังหวะปล่อยมันต่างกันไหมต่างไหมคนลองคนลองเอามือวางที่หัวเขา่าความลงแล้วคนลองเคลื่อนตะแคงมือขวาที่หัวเขา่าสีแล้วหยุด ยกอีกแล้วก็หยุดยกอีกแล้วก็หยุดแต่แคงอีกแล้วก็หยุดยกขึ้นมาแล้วก็หยุดคนนี้อัการเหมือนกำปล่อ ย, ย, ย, ย, ยกำปล่อยไหมเหมือนไหมเหมือนกำปล่อยกำปล่อยไหมเวลาเราเคลื่อนเรารู้กับการเคลื่อนใช่ไหมนี่แหละอาการเคลื่อนเนี่ยคือวิริยะพละ ใช้การเคลื่อนไหวในเป็นวิริยะพละเอาภาวะรู้ที่มันรู้กับการเคลื่อนไหวเป็นสมาธิพละเพราะฉะนั้นมันก็เลยทำให้เกิดเป็นจังหวะและรู้เป็นจังหวะทีละจังหวะทีละจังหวะทีละจังหวะไปเรื่อยๆนี่เองมันคือความสมดุลของวิริยะพละกับสมาธิพระก็เกิดเป็นสมาธิที่เป็นขณะขณะ ขณะขณะที่ต่อเนื่องเพราะคำว่าขณะแปลว่ามันมีมีขดัดขาดตอนไหมนั่นไงเมื่อแต่ละขณะมันมีการขาดตอนใช่ไหมเพราะทำไมต้องทำให้เกิดการขาดตอ น, อนก็เพื่อเปิดโอกาส ใ, ให้นี่มันหลุดออกไปอะเข้าใจความหมายไห ม, มให้ช่องตัวนั้นได้มีโอกาสไอ้ตัวนี้ได้แสดงตัว เออพอ่พอเโอ้โหลุงพุทียนนี่เทคนิคสุดยอดเข้าใจไหมอัจฉริยะมากเลยอะ่ะเนี่ยไม่น่าเชื่อเนาะบางคนอาจจะมองทำทำมไมวะขยับทำเป็นขนาขนาขณะ มึงคนเคลื่อนแบบนี้ด้วยนะมันใช่ไหมเนี่ยมันเวียงไปเวียงมาเนอะแต่มันมีโอกาสไม่ที่ใจมันจะหลอกไปมีไหมมีมันก็มีเหมือนแต่แต่ไม่เข้าใจทำไว้เนาฉันทมามันสิบปีนะเธอเนี่ยยกมือเงี้ยไม่ผิดเลยเนาะฉันไม่ผิดเลยแต่ทำไมฉันไม่เข้าใจก็ไม่รู้ ทำมา10 ป, ปีไม่รู้เรื่องเลยฉันไม่ผิดเลยเนี่ยโ้ขนาดคุยไปด้วยไม่ผิดด้วยนะคุยไปด้วยก็ไม่ผิดมันกลายเป็นความเคยชินที่ทำมันไม่ได้มันไม่ใช่การทำความเขียนเข้าใจความหมายไหมมันแค่เวี่ยงแขนเล่นได้อยู่ได้กล้ามไต่ออกกําลังกายเลือลมเดินสะดวกขึ้น เทคนิคที่ดีอยู่แล้วของหลวงปู่เทียนให้เราเข้าใจเราแล้วเราจะเรพอเราเข้าใจเทคนิคตรงนี้เราเราเข้าใจกระบวนการเราจะเห็นเลย ว, ว่าอ๋อมันเป็นมันเป็นกระบวนการที่ที่ไม่ไม่ใช่แบบเดิมที่เราเคยรู้จักไม่ใช่แบบที่เขาทํากันมาหลายพันปีเข้าใจความหมายไหมแต่มันเป็นเทคนิคที่เกิดขึ้นใหม่ ที่วันนั้นเจ้าชายศิษถะนั่งดูลมหายใจเป็นจังหวะจังหวะเข้าจังหวะออกจังหวะเข้าจังหวะออกจังหวะเข้าจังหวะออกเป็นจังหวะเป็นจังหวะเป็นจังหวะเป็นจังหวะแล้วหลวงปู่เทียนก็เลยจับจังหวะนั่นแหละมาทําเป็นจังหวะกับการเคลื่อนไหวเพราะหลวงปู่เทียนรู้ว่าคนเราดูลมหายใจถ้าฝึกไม่ดีพอจับจังหวะได้ไหม เรียบ ร, ร้อยฮะแทนที่จะเป็นอาณาปานสติมันก็สลบไปเรียบร้อยฮะ <laughs> ถูกว่าราอลมหายใจนั้นไม่รู้มันก็หายใจไม่มีเจตนามันก็หายใจแต่การเคลื่อนไหวเป็นจังหวะต้องใช้ความตั้งใจไหมต้องใช้เจตนามั้ยมันเป็นกรรมเมื่อมีเจตนามันเป็นกรรมและกรรมตัวนี้คือกรรมฐาน ความตั้งใจนี่แหละมันเป็นตัวตัวความตั้งใจเนี่ยมันเป็นอาหารของสติอาหารของความรู้สึกตัวตั้งใจคือใจมาตั้งใส่ใจคือใจมาใส่เขาใจยังเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นการเร่งปฏิกิริยาให้ความตื่นตัวมันเกิดขึ้นได้ไวและที่สำคัญคือขณะที่มันปุ๊บอย่างเงี้ยแลมีช่องว่างให้มันออกเห็นปับ๊บ เห็นบ่อยครั้งปั๊บเอ้านี่เองไอ้ตัวนี้ขณะที่เราทําตัวนี้อยู่ไอ้ตัวนี้เขาออกมาทํางานอีกอย่างหนึ่งเพรา ะ, ะนั้นการปรากฏขึ้นของกายกับจิตกับลู้กับหนามันก็ปรากฏง่ายขึ้นน่ะเข้าใจความหมายไหมมันจึงเป็นเทคนิคที่ทําให้เกิดความเร็วต่อความเข้าใจเออนั่นมันเป็นเพราะว่าไม่ได้มุ่งมั่นที่จะทําให้มันเป็นอย่างนี้แต่แค่ทําสบายๆตรงเนี้ยแต่มันกลับจะเห็น การปรากฏแบบนี้ได้สองอย่างปรากฏให้เห็นได้แต่ถ้าคุณตั้งใจจะเอาแบบนี้อย่างเดียวมันจะไม่สนใจอะไรเลยนอกจากพยายามมุ่งมั่นแบบเงี้ยเข้าใจมุ่งมั่นให้แน่วงไปให้ได้แน่วไปให้ได้ให้สงบไปได้อย่างเงี้ยเข้าใจมันมันก็เลยไม่เกิดการสังเกตไม่เกิดการเรียนรู้ไม่เกิดการเห็นความจริงเพราะาเทคนิคการเคลื่อนเป็นจังหวะของหลวงปู่เทียนเทคนิคการหายใจเข้าออกเป็นจังหวะของพระพุทธเจ้า มันคือการใช้จังหวะนั่นแหละมาเป็นตัวตัวกระตุ้นให้ธาตุรู้ได้รู้รู้รู้รู้รู้รู้แต่เป็นภาวะรู้ที่ต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องขณะเดียวกันมันก็เปิดโอกาสให้จิตได้มีโอกาสแสดงตัวเพื่อจะได้เห็นความจริงแต่ในการแสดงตัวของมันมันก็มันก็ไม่ทำให้เราได้ไหลไปกับมันเพราะตัวจังหวะใหม่มันก็จะทาให้เรากลับมา กระบวนการคิดแล้วก็จะดับลงแต่พอมันเกิดใหม่ปับ๊บมันเห็นอีกรู้ตัวกลับมันก็ดับกลับมันก็ดับแล้วก็กลับมาใหม่ใช่ไหมแต่การเห็นอย่างนี้บ่อยๆมันจะเริ่มเข้าใจความเร็วในการเห็นจะมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นความสังเกตมันจะเด่นขึ้นเด่นขึ้นเด่นขึ้นเพราะว่าผู้รู้ผู้ดูจะเด่นขึ้นเรื่อยๆโดยมีวิธีการที่หลวงปู่เทียนบอกว่าเห็นกายเคลื่อนไหวเห็นใจนคิดเนี่ยเข้าใจความหมายไหม พอเห็นกายขึนมเห็นใจนึกคิดเห็นกายขึนมเห็นใจนึกคิดอา้าวกายเป็นวัตถุอย่างหนึ่งที่ถูกรู้กายมันได้ได้เป็นวัตถุบางอย่างที่ถูกรู้เอา้าความคิดเป็นวัตถุอย่างหนึ่งที่ถูกรู้อีกภาวะผู้รู้เด่นขึ้นใช่หรือไม่อันนี้จึงเรียกว่าวิปาาัสนาญาณเออ ใจย่งไงเนี่ยมันเริ่มกลายเป็นผู้ดูดูอะไรดูวัตถุตัวหนึ่งเคลื่อนไหวไปมาดูวัตถุตัวหนึ่งแสดงอาการในรูปของความคิดอ่ะพอดูไปดูมาอีกมันดูบ่อยๆความช้ำชองกับการดูปรากฏขึ้นไหมใช่ไหมความช้าชองการของการดูปรากฏขึ้นเรื่อยๆมันบ่งบอกถึงภาวะความเป็นผู้ผู้ดูก็เด่นขึ้นเรื่อยๆเหมือนกัน จากนั้นกายก็แสดงอาการน่นอาการนี่เห็นอ้าวความเป็นทุกข์ของกายมันปรากฏในรูปแบบนี้เองที่บอกว่ากายมันทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้มันต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆอย่างนี้อ๋อจะเห็นมันอ้าวอ้าวจิตมันแสดงอาการอย่างนี้อย่างนี้อ๋อสัญญามันเข้ามาทํางานอย่างนี้สมมติบัญญยัดเข้ามาทํางานอย่างงี้อ๋อสังขารมันเข้ามาตึงต่ออย่างนี้มันมันก็จะเห็นในรูปแบบตัวนี้เข้าใจความหมายไหม เมื่อตัวนี้มันเริ่มตั้งมันที่จะดูจึงบอกว่าสุดยอดแห่งเทคนิคนะมามาลองกันมาใช้เทคนิคเป็นจังหวะเป็นจังหวะอย่างต่อเ น, นื่องเพื่อเห็นกายเห็นใจในรูปแบบของความคิด เดี๋ยวมันจะพูดออกมาอยู่เรื่อยมีจริงไหมพร้อมแล้วเริ่มสบายๆนะทำแบบสบายๆเคลื่อนไปยังหวะไปเรื่อยมันคิดก็เห็นมันมันไม่คิดละ่ะ ก็ไม่ต้องเรียกร้องหามันบางคนบอกพระอาจารย์ยมไม่คิดเลยอไม่คิดก็ไม่คิดเนี่ยก็เห็นว่ามันไม่คิดไงอพระคิดก็รู้สึกกับการืึ้นไหวไปสิใช่ไหมอ่แต่คิดขึ้นมาเมื่ อ, อไรหร่ก็เห็นมันเขทอนนั้นเอง <c oughs> ตัวความคิดที่มันจะปรากฏขึ้นให้เราเห็นในรูปแบบนี้ก็คือตัวตัวที่มันคิดเองมันเผลอคิดมันหลงคิดออกไปนี่แหละส่วนในความคิดแบบตั้งใจคิดนั้นอันนั้นคือเราตั้งใจคิดนั่นเป็นการเรื่องของการใช้ใช้จิตทำงานก็ใช่จไหม เมื่อใช้จิตทำงานก็ต้องมีสติมีสมาธิเป็นตัวควบคุมในการคิดรู้จักไหมตั้งใจคิดอ่ะเออตั้งใจคิดจะมีปัญหาไหมมีไมใน ม, มีเพราะมันมีสติมีสมา ธ, มมาธิเป็นตัวคุมอยู่แล้วแต่บางคนอาจจะคิดแต่บางทีตั้งใจคิดก็มีความทุกข์นะอาจารย์มันทุกข์เพราะมันเผลอคิดซ้อน แล้วไม่รู้ทันว่าขณะนั้นมันมีเผื่อคิดซ้อนในความตั้งใจคิดเกำลังตั้งใจคิดอยู่ค่อยๆออกไปนิดหนึ่งโดยไม่รู้ตัว เอืนการที่เผื่อคิดมันแสดงตัวออกมาหรือความคิดที่มันถือโอกาสออกมาตอนที่เวลาเราตั้งใจปฏิบัติทำนั่นแหละเป็นโอกาสทองโอกาสทองของการได้เรียนรู้ของการได้เห็นของการได้ศึกษากลไกลการทำงานของจิต<อ>เข้าใจไหม ม, มีบางคนบอกพระอาจารย์ ยกมือสร้างยังวบบไปเรื่อยๆความคิดมันจะน้อยลงไหมไอ้ที่ถามเนี่ยพ่อไม่อยากให้มันคิดใช่ไหมในใจลึกๆค่ะผิดพ่อไม่เพราะถ้าไม่อยากให้มันคิดก็ไปว่าเราตั้งเป้าผิดแล้วใช่หรือไม่ เราตั้งเภาทำความรู้สึกตัวเพื่อจะเห็นกายเคลื่อนไหวเพื่อจะเห็นใจนักคิด เห็นความเปิดคิดที่ปรากฏอยู่เนืองๆไห ม, ไมเห็นเนาะอย่าเพิกเฉยกับการสังเกตเห็นหลายคนไม่ใส่ใจที่จะรู้ทันหลายคนเพิกเฉยต่อการที่จะสังเกตเห็นตรงนี้นั่นคือข้อผิดพลาดกับการปฏิบัติมากๆ เพราะขณะที่มันมีความคิดปรากฏขึ้นแลเรารู้ทันเราเห็นทันกับความคิดที่ปรากฏขึ้นนั่นคือการทำให้ธาตุรู้มันได้ตื่นตัวขึ้นมา ก, กับการเห็นและรู้ทันสิ่งที่ไวกว่าก า, กายที่เคลื่อนไหวเข้าใจไหมความคิดเนี่ยมันไวเพราะการที่มันเห็นกายเคลื่อนไหวไปเรื่อยเนี่ย แล้วมันมีโอกาสได้เห็นใจที่นึกคิดเนี่ยเป็นโอกาสทองที่มันได้ได้สั่งสมกำลังของการตื่นรู้เข้าใจไหมอืมได้สั่งสมกำลังของการตื่นรู้ของการรู้เท่าทันเพราะฉะนั้นอย่ากเพิกเฉยกับเรื่องนี้ มันเหมือนกับนักแม่นปืนอะการเคลื่อนไหวของกายเนี่ยเหมือนเหมือนเป้านิ่งแต่ความคิดที่ฟุ๊บออกมาเนี่ยเหมือนเหมือนเป้าบินเข้าใจไหมเพราะฉะนั้น คนที่เป้าบินได้ไวก็คือคนที่ไวต่อการสังเกตเห็นว่าเป้ามันบินออกมาแล้วใช่หรือไม่อืมใจของเราอะ่ะที่มันไปเห็นกายขึ้นไวครับพอคิดปุ๊บปุบ๊อืมคิดปุ๊บปบ๊เข้าใจยังในลักษณะแบบเนี้เพราะฉะนั้นคนที่ฝึกที่จะเห็นแบบเนี้ยมันจะทําให้เกิดความตื่นตัวด้วยไวขึ้น จิตมันจะตื่นตัวไวขึ้นนั่นเองอาจารย์คะทีเราทาการเคลื่อนไหวแล้วเราเห็นความคิดมันเยอะแล้วบางช่วงเรากลับตาเราวลับทำให้เราได้ดีกว่าอันนั้นหมอะไห่าหรือว่าควรจะใช้หเป ก็ได้ถ้ามันพาเราลอดกลับมาได้บ้างทำไปเถอะลองทำลองทำนะบางทีมันเจออะไรมากๆบางทีมก็เอาโ น, น้นเอานี้มาช่วยกันหน่อยก็ได้ไม่เป็นไรหรอก แต่จริงๆเวลาหลับตาความคิดจะเยอะกว่านะใช่มหมยิ่งหลับตาในยิ่งความคิดยิงฟุ้งหนักเลยถ้าพอเราลืมตาเราปล่อยตาสบายๆมันก็ไม่ได้คิดอะไรแต่เรามักจะคิดไปเองว่าถ้าตาไปเห็นนั่นเห็นนี่มันก็จะฟุ้งไปทําไมสอดสายสายตาแล้วมันจะไปไหมล่ะถูกไหม ถ้าเราสัรวมสายตาของเราไว้อะมันไม่สอดสายสายตามันจะไปไหล่ะลูกกระตามันวิ่งเบงไม่ได้เราจ้า บางครั้งการสํารวมสายตามองตําแหน่งเดียวนานๆบางครั้งก็กลายเป็นการเพ่งโดยไม่รู้ตัวเหมือนกันนะสังเกต ด, ดูไหมบางทีแล้วก็อาจจนะเงยหน้าผ่อนสายตามองนู่นมองนี่บ้างแต่เป็นการตั้งใจมองนะเข้าใจาความหมายไหมยอย่างอาจารย์นั่งเดี๋ยวก็ตั้งใจมองเดี๋ยวก็กลับมา <c oughs> กันมาแล้วก็ส ม, มล้มสักพัก น, า, ก <c oughs> น, น า, านแล้วก็เข้าใจไหมพผ่อนคลายมันบ้างไม่งั้นแล้วพอมันมองมองมองพื้นไปนานๆสํารวมมันมันจะเริ่มเบลอมีไหมมันเริ่มเบลอมันเริ่มหรือมันเริ่มล้าๆลองขยับนิดนึง ปตั้งใจปล่อยอกไปหน่อยนอกกลับมาใหม่เหมือนคนเข็นเ็าตกปลาไหมมีใครเขาดึงมาอย่างเดียวไหมเวลาเขาตกปลาเขาไม่ปล่อยให้ปลาดึงไปบ้างไหมแล้วกลับมาโมุนกลับมาถ้ามันยังมีแรงอยู่มันลากไปก็ปล่อยบ้างไม่ใช่ดึงมาอย่างเดียวปลาหลุดเลยมันผ่อนสั้นผ่อนยาว เทคนิคการปฏิบัติมันรู้จัก <c oughs> แต่ที่แย่ที่สุดคือการพยายามมองตามมือตัวเองอันนั้นจะถูกตัวเองสะกดจิตตัวเองเดี๋ยวถูกเดี๋ยวสะกดจิตตัวเองไม่รู้ตัวนะ บางคน <c oughs> นั่งยกมือส้ายจังหวะดูเหมือนสบายๆแต่ตาไม่ค่อยกระพริบแปลว่าเผลอเพ่งเข้าไปเลยไม่รู้ตัวเข้าใจไหมตออั้งใจมากไปอย่างนั้นวัน เวลาเรายกมือสร้างยังมงไปมันกระพริบตามันนั่นมันนี่ก็เป็นเรื่องของมันเข้าใจไหมนเมื่อกี้ร่างกายมันแสดงความเป็นทุกข์บางอย่างเพราะการที่เรากำหนดรู้กับอิริยาบ์ที่เราเคลื่อนไหว แต่มันกลับทำให้เราไปเห็นอิริยาบถอื่นที่เราไม่ได้กำหนดและอิริยาบถอื่นที่มันแสดงตัวออกมาก็คือกันเห็นบ่อยๆบ่อยๆมันจะเข้าใจอ๋อที่ว่ามันเป็นเองมันทำเอง <c oughs> มันเป็นทุกข์มันแสดงความเป็นทุกข์เป็นยังไงเข้าใจไหม เพราะเวลาเราเคลื่อนไหวสร้างจังหวะเราจรึงไม่ไม่ใช่การไปเพ่งจ้องที่การสร้างจัง ห, หวะอย่างเดียวเรารับรู้กับการเคลือ่อนไหวสร้างจังหวะสบายๆอย่าไปเพ่งจ้องเฉพาะตรงนี้งั้นแปลว่าให้สอดสายไปทั่วไม่ใช่อีกเราแค่รู้สบายๆยอยู่ ก, กับการที่เราทำตรงนี้ไปอาการรู้สบายๆกับการเคลื่อนไหวที่เรากาหนด มันจะทำให้ใจเราไปรู้กับอาการที่ปรากฏที่กายกับส่วนอื่นๆได้ด้วยเข้าใจไหมเพื่อเราจะได้เห็น mm hmm. เห็นเพื่ออะไร mm hmm. เห็นเพื่ออะไร mm hmm. เห็นอาการอื่นที่ปรากฏที่กายในเพื่ออะไร mm hmm. เห็นความเป็นทุกข์ของกาย ความเป็นอนัตตาของมันที่มันไม่ใช่เรามันก็ทํางานของมันมันก็ทําอาการของมันมีไหมมันเป็นทุกข์มันทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้มันทนไม่ได้มันก็ต้องตอนนั้นอันนี้ไปเข้าใจยังอย่างเราทําไปทํามาอยู่ๆมันก็เกิดอาการอึดอัดอึดอัดหายใจลําบากพอได้มันหาย ทุกหายไหมตอนนี้หายไหมก่อนหน้านั้นเป็นไรเป็นทุกมันเป็นเองไหมมันก็เป็นเองไม่ใช่แบบตั้งหน้าตั้งตายกมืออย่างเดียวนะ อย่าง ท, ที่อาจารย์เราอะเนี่ยฉันยกมือมาสิบปีแล้วฉันไม่รู้อะไรเลยฉันไม่เข้าใจเลยเลยฉันยกไม่ผิดจังหวะ ด, ด้วยอไปตั้งหน้านต่างตายกมืออย่างเดียวแต่ไม่ได้เกิดการสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเองเข้าใจไหมมันเกิดอะไรบ้างเป็นยังไงบ้าง เป็นไงได้ทำอย่างต่อเนื่องเห็นความคิดที่ปรากฏออกมาเป็นระยะระยะไหมเห็นไหมมีไหมมีเนาะ อ, อย่างนั้นเนาแล้วก็เห็นละมีความคิดปรากฏเป็นระยะระยะระยะมันเป็นความจริงไหมที่มันปรากฏเป็นระยะระยะเป็นความจริงไหมมีไหมมันไม่มีเขียนในตำรานะ มันไม่ได้เขียนในคำพีนะจริงได้ไงฮะมันจริงได้ไงไม่ได้เขียนในตำรามันไม่ได้เขียนในคำพีมันมันมันจริงได้ไงืมออมันต้องเขียนไม้ดีมันถึงจะใช่แต่มันไม่เขียนมันจะใช่ไหมฮะไม่ได้เขียนไปมันใช่ไหมล่ะ ใช่ก็คือใช่อ่ะเขียนไม่เขียนก็นเรื่องเขียนไม่เขียนแต่ใช่ก็คือใช่อ่ะในเมื่อความคิดมันก็โผปกไปเรื่อยๆจริงไหมจริงอือ้อะไรบอกเราว่ามันจริงร ก, ก็เราสัมผัสกับมันอยู่นี่แหละถูกปะ่ะใครสัมผัสต้องให้อาจารย์บอกไหมบัดนี้เธอเห็นความคิดเธอปรากฏเป็นระยะระยะแล้วนะ อาจารย์ต้องรับประกันไหมวั น, นนี้เธอเป็นคนเห็นกายเคลื่อนไหวเห็นใจนะึกคิดแล้วนะอาจารย์ต้องเป็นคนรับประกันเธอไหมไม่ต้องนาะใครรับประกันอุษาถูกเราเนี่แหละรับประกันเราเองเราเนี่แหละรู้ด้วยเราเองเนอะเวลาปฏิบรรรัติทำยังไม่ต้องไปถามเอพระอาจารย์คะตอนนี้จิตยมเป็นยังไงคะพระอาจารย์คะช่วยดูให้ยมหน่อยครับนั้น อืมไม่ใช่หมอดูอันดับแรกอันดับแรกคือไม่ใช่หมอดูอันดับสองของเองเอ ง, เองยังไม่รู้ราคาจะรู้เองไหม <c oughs> ใช่หรือไม่เวลาเราปฏิบัติเราต้องยืนยันด้วยตัวเราเองเราต้องเข้าใจด้วยตัวเราเองเราต้องสัมผัสสิ่งนั้นด้วยตัวเราเองไม่งั้นมันโตไม่เป็น โตไม่เป็นอันมัวแต่คอยถามครูบาอาจารย์โตไม่เป็นอย่างครั้งหนึ่งหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นอะออกทุดดงในป่าในดงเนี่ยก็ <c oughs> ปฏิบัติเองเลยก็ว่าไปนะเจอ <c oughs> พระเถระผู้ใหญ่ที่อยู่ในบ้านในเมือง เป็นใหญ่เป็นโตมีตำแหน่งถามท่านปฏิบัติอยู่ในป่าท่านไม่มีครูบาอาจารย์คอยบอกคอยแนะท่านทำของท่านไปอย่างนั้นท่านรู้ได้ไงว่าท่านทำถูก <c oughs> ถามหลวงูมันท่านรู้ได้ไงว่าท่านทำถูกหลวงูมันบอก หลวงปู่มันบอกว่าแ <c oughs> มไม่มีครูบาอาจารย์แต่การที่เราไดลองมันลองผิดลองถูกประสบการณ์มันก็จะสอนให้เรารู้สิ่งใดที่เป็นกุศลสิ่งใดที่ไม่เป็นกุศลมันก็จะรู้อยู่แก่ใจเราสิ่งนั้นเราก็ต้องสัมผัสกับมันเองเข้าใจกับมัน ้าใจ้ยอืมเพราะว่าการปฏิบัตินั้นนะมันไม่มีใครมารู้กันเรานอกจากเราวาันเมื่อเราเข้าใจสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราใช่หรือไม่ใช่ตรงหรือไม่ตรงถูกหรือไม่ถูกถ้าเรายืนยันอยู่กับความรู้สึกตัวดีๆ มันจะค่อยแก้สถานการณ์ไปเรื่อยๆโดยเฉพาะถ้าตั้งต้องการและตั้งเป้าว่าการปฏิบัติของเรานั้นต้องเป็นไปเพื่อการเรียนรู้เรื่องทุกและการดับทุกขเข้าใจไหมจริงถ้าตั้งเป้าไว้ตรงนี้เลยนะว่าเราจะเรียนรู้เรื่องทุกและการดับทุกเนี่ยถ้ามันเขวออกจากเรื่องนี้ปุ๊บ อืมอันนี้มันใช่ไหมนี่เรากำลังแขอกจากเรื่องทุกข์และการดับทุกข์ไหมเรากำลังอยากอยากรู้เรื่องโน้นอยากเป็นอย่างนี้อยากได้อย่างนั้นแล้วไอ้ความอยากเป็นอยากได้ตรงนี้เอา้ามันทำหนักทำให้เราเป็นทุกข์ไหมนี่มันต้องเช็คตัวเองอย่างนี้เลยนะเข้าใจไหมอืม ลูกศิษย์อาจารย์คนหนึ่งเริ่มเข้าใจธรรมะเพื่อนเขาก็โพสต์มาถามจิตเป็นนายกายเป็นเบาแล้วเราเป็นใครเจอคำถามนี้เป็นไงจิตเป็นนายกายเป็นเบาแล้วเราเป็นใครหลวงพี่หลวงพี่ก็ อยากตอบอะแต่จะตอบยังไงวะจะตอบยังไงหะ 5, เราเป็นทั้งสองอย่า ง, เรา เ, 1, างเราเป็นขันห้าเราเป็นนอนเป็นอ๊้ยดีจังหลวงพี่ก็ทฤษฎีแกไม่เยอะแ่มันก็อยากตอบอยากตอบเพื่อน แกก็เดินจงกรมขณะที่เดินจงกรมไปไอ้คําถามนี้มันก็เวียนกลับมาถามอยู่นั่นแล้วก็เห็นตัวเองพยายามหาคําตอบคําถามเวียนมาใหม่ก็เห็นตัวเองพยายามหาคําตอบเดินเดินเดิ น, เ ด, นเดินไปความผิดคิดก็ปรากฏขึ้นเป็นคําถามนี้อีกตัวเองก็พยายามหาคําตอบระหว่างนั้นอาจารย์กาลังเทศสอนโยมแกบอก พาจารย์กำลังเทศสอนโยมแล้วมันออกลำโพงในวัดพระอาจารย์บอกว่าถ้าตั้งเป้าหมายผิดอะ่ะมันก็ผิดเพราะเป้าหมายที่ถูกต้องอะ่ะคือการเรียนรู้เรื่องทุกและการดับทุกไม่ใช่เรื่องอื่นแกบอก พ, อนนอพ่อผมได้ยินคำนั้นเท่านั้นแ่ะพราผมได้ยินคำนั้นเท่านั้นผมหยุดจึกเลยเออนี่คุณ ปฏิบัติเพื่อเอาอันนั้นเอาอันนี้นี่ว่ะเพื่อจะรู้อันนั้นอันนี้เพื่อจะตอบอันนั้นอันนี้อ่าแล้วตอนนี้กูทุกนี่ว่ะโอ้เข้าใจแล้วแคพอหยุดเดินจงกลมดีกว่าอไอที่มันรบกวนอยู่เป็นทุกข์ไหมเป็นทุกข์ไหมแต่กลับไม่รู้ว่าทุกข์ เพราะใจที่มันอยากตอบใจที่มันอยากได้ใจที่มันอยากมันลืมแต่พอถูกสะ ก, กิดว่าเฮ้ยกลับมาเรียนรู้เรื่องทุกและการดับทุกข์เท่านั้นแหละแกบอกเออตอนนี้เป็นทุกข์นี่วะก็ดับทุกข์สิแกว่าเออนี่เราปฏิบัติเราหลงไปแป๊บหนึ่งเมื่อกี้หลง อยากได้คําตอบหลงอยากเป็นผู้รู้หลงอยากเป็นผู้แสดงภูมิเลยทุกเดยไม่รู้ตัวเออเพราะฉะนั้นพอเข้าใจตรง น, นีทิ้งปับ๊บอ้าวทุกหายแล้วเดินจกรมสบายใจเลยเข้าใจไหมนี่นั่นแหละดูดูวตัวเองนะว่ามันแวบเผลอไปไหมบายไปทานข้า